วิธีขอขมาของภิกษุสุธรรมภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นภิกษุสุธรรมพึงไปเมืองมัชิกาสนกับพระอนุทูตแล้วขอขมาจิตตะขาบดีว่าจิตตะขาบดีท่านโปรดยกโทษอาตมาจะทำให้ท่านเลื่อมใส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 ถ้าเมื่อกล่าวอย่างนี้เขายอมยกโทษให้นั่นเป็นการดีถ้ายังไม่ยอมยกโทษให้พระอนุทษพึงให้ภิกษุสุธรรมหอมอุตราสงเฉวียงบาข้างหนึ่งให้นั่งกระโยงให้ประนมมือแล้วให้แสดงอาบัตินั้นไม่เลยเขตที่จิตตะคหบดีจะมองเห็นจะได้ยินต่อมาท่านภิกษุสุธรรม เดินทางไปเมืองมัชชิกาสนกับพระอนุทูตแล้วขอขมาจิตตะคหาบดีท่านกลับประพฤติชอบหายเยอ่อหยิ่งกลับตัวได้เข้าไปหาภิกษุทั้งหลายแล้วกล่าวอย่างนี้ว่ากระผมถูกสงลงปฏิสารนียกรรมแล้วกลับประพฤติชอบหายเยอ่อหยิ่งกลับตัวได้กระผมจะปฏิบัติอย่างไร